พระไตรปิฎกเล่มที่1ิบหกทัศน์พลาวัต์หมวดว่าด้วยทัาศน์พละยานหรือทศพลายานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยทัาศนภพละยานและจตุเวสารชายาน จึงยืนยันฐานะที่องค์อาจบรรลือศีหานาฏในบริษัททั้งหลายประกาศพร้อมาจักรให้เป็นไปท้าศสตรลยานหมายถึงยานอันเป็นกําลังของพระตถาคตสิบประการที่ทําให้พระองค์ทรงบรรลือาาศีหนาฏประกาศศาสนาได้มั่นคงคือ 1. ฐานาฐ า, า, านัญาณปรีชาอ ย, ย่างรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลาย 2. กรมวิปากยานปรีชาย่งรู้ผลของกรรม 3. สัพพัตะคามินีปฏิปทายานปริชาย่งรู้ปฏิปทาที่จะนำไปสู่กติทั้งปวงหรือสู่ประโยชน์ทั้งปวง 4. นานาทายานปริชาอย่างรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นอเนก 5. นานาทิมุติกายาน ปรีชาอ ย, ย่างรู้อัตยาสัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลาย 6. อินทริยประโปโรปาริยตญาณปรีชาอ ย, ย่างรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 7. ชานาที่สังกิเลสาธิญาณปรีชาอ ย, ย่างรู้ความเศร้าหมองแห่งชาญเป็นต้น 8. ปุอุเพนิวาสานุสติญาณ ปรีชาอ ย, ย่างรู้พบที่เคยอยู่ในหุนหลังได้ 9. จุดตูปปาทยานปรีชาอ ย, ย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและสิบอาสวะคยญาญานปรีชา ย, ยังรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจตุเวสารชยานคือประยานอันเป็นเหตุให้ทรงกล้วกล้าไม่กลั้นคร้ามมีสี่ประการ คือสัมมาสัมพุทธปฏิญญาขีณาสวัสดิญญาอันตรายิกธรรมวาทะและนิยานิกธรรมเทศนาฐานะที่องค์อาจหมายถึงฐานะที่ประเสริฐที่สุดที่สูงสุดหรือฐานะของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดในปางก่อนบัรลือสีหนาศหมายถึงตรัสพระวาจาด้วยท่าทาที่องค์อาจดังพยาราชสี ไม่ทรงหวันเกรงผู้ใดเพราะสรงมั่นพระไทยในศีลสมาธิปัญญาของพระองค์บริษัทหมายถึงหมู่คณะที่ประชุมในที่นี้หมายถึงบริษัท8คือขตยะบริษัทพระมณะบริษัทขะหบดีบริษัทสมณบริษัทจาตุมหาราชิกาบริษัท ต, ตาวติงสะบริษัท มาระบริสัทพ์โรมบริสัทคํคำว่าพรมมะจักหมายถึงธรรมจักอันประเสริฐยอดเยี่ยมบริสุทธิ์มีสองประการคือปฏิเวทญาณได้แก่ญาณที่แสดงถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าและเทสนายานได้แก่ญาณที่แสดงถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าญาณทั้งสองนี้ ชื่อว่าโอระยานหมายถึงยานส่วนพระองค์มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นไม่มีแก่คนทั่วไปภิกษุทั้งหลายตถาคตรประกอบด้วยทัะภระยานและจตุเวสารัชยานจึงยืนยันฐานะที่องค์อาจบรรลือศีานานในบริษัททั้งหลายประกาศพรมาจักให้เป็นไปว่า รูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มี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 สังขารจึงดับเราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมะเข้าใจง่ายเปิดเผยประกาศไว้แล้วเป็นดุดภาพผืนเก่าที่ตัดไว้แล้วอย่างนี้ บุญบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาสมควรแท้เพื่อปรารบความเพียรในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมะเข้าใจง่ายเปิดเผยประกาศไว้แล้วเป็นดุดผืนผ้าเก่าที่ตัดไว้แล้วอย่างนี้ว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจงเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีผลได้พึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้าไม่บรรลุผลนั้นก็จะไม่หยุดความเพียรของบุรุษบุคคลผู้เกียจคร้านเกลื่อนกล่นไปด้วยบาปอากุศลละธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์และทําประโยชน์ของตนที่ยิ่งใหญ่ให้เสื่อมเสียไปส่วนบุคคลผู้ปรารกความเพียรผู้สงัดจากบาปอากุศลลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุข และทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของตนให้บริบูรณ์ได้การบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมะอันเลวหามีไม่แต่การบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมะอันเลิศย่อมมีได้รมอาจา ร, รย์นี้ผ่องใสและน่าดืม่มพระศาสดาก็ยังอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุนั้นเถิดทั้งหลายจงปรารบความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งโดยตั้งใจว่าบรรพชาของเราทั้งหลายนี้เป็นของไม่ตำซามไม่เป็นหมันมีผลมีกาไรจากมีแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายบริโภคจีวรบินธบาตเสนาสนะ และกีฬาณปัจจัยเภสัชบริการของชนเหล่าใดสักการะของชนเหล่านั้นจะมีผลมากมีอานิสง์มากเพราะเราทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกดังพันนามาชนนี้แหลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของตนสมควรแท้ เพื่อที่จะทำกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อื่นสมควรแท้เพื่อจะทำกิจของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแท้ที่จะทำกิจของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อุปาณิสัสูตรว่าด้วยธรรมะที่อาศัยกันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อรู้เห็นจึงกล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเราเมื่อไม่รู้เห็นจึงไม่กล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เมื่อรู้เห็นอะไรความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมีคือเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้และโดยในยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นและความดับเป็นอย่างนี้ เราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แหละความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมีเมื่อธรรมะเป็นที่สิ้นไปมีอยู่ในที่นี้หมายถึงมรรคและผลขยะยานคือยานในธรรมะเป็นที่สิ้นไปขยะยานแม้ใดย่อมมีเรากล่าวว่าขยะยานแม้นั้นมีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งขยญาณสิ่งนั้นควรเรียกว่าวีมุตดคือความหลุดพ้นด้วยอรหัตผลเรากล่าวว่าแม้วีมุตดก็มีที่อาศัยมีได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวีมุตดสิ่งนั้นควรเรียกว่าวิราคะ ในที่นี้หมายถึงมรคคือธรรมมรคเรื่องกำจัดกิเลสเรากล่าวว่าแม้วิราคาก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวิราคะสิ่งนั้นกวรเรียกว่านิพพิทาในที่นี้คือนิพพิทายาญาณที่พิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจนเกิดความเบื่อหน่าย เรากล่าวว่าแม้นิพิ t า a ก็มีที่อาศัยมีได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งนิพิทาสิ่งนั้นควรเรียกว่ายถาภูตยานัทสนะคือยานที่พิจารณาเห็นสังขารตามความเป็นจริงเรากล่าวว่าแม้ยะถาภูตยานัทสนะก็มีที่อาศัยมีได้กล่าวว่า ไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งยัถาภูตญาณทัศนะสิ่งนั้นควรเรียกว่าสมาธิเรากล่าวว่าแม้สมาธิก็มีที่อาศัยมีได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสมาธิสิ่งนั้นควรเรียกว่าสุขเรากล่าวว่าแม้สุข ก็มีที่อาศัยมีได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสุขสิ่งนั้นควรเรียกว่าปัจสัธิคือธรรมะที่สงบระ ง, งับความกระวนกระวายอันเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่เป็นเบื้องต้นแห่งสมาธิที่แน่วแน่เรากล่าวว่าแม้ปัสสัธิก็มีที่อาศัยมีได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปัสสัติสิ่งนั้นควรเรียกว่าปีติและโดยในยะเดียวกันแม้ปีติก็มีที่อาศัยคือปราโมทแม้ปราโมทก็มีที่อาศัยคือศรัทธาแม้ศรัทธาก็มีที่อาศัยคือทุกข์แม้ทุกข์ก็มีที่อาศัยคือชาติการเกิด แม้ชาติก็มีที่อาศัยคือภพแม้ภพก็มีที่อาศัยคืออุปาทานแม้อุปาทานก็มีที่อาศัยคือตันหาแม้ตันหาก็มีที่อาศัยคือเวทนาแม้เวทนาก็มีที่อาศัยคือผัสสะแม้ผัสสะก็มีที่อาศัยคือสลายตัณหา แม้สลายตนตก็มีที่อาศัยคือนามรูปแม้นามรูปก็มีที่อาศัยคือวิญญาณแม้วิญญาณก็มีที่อาศัยคือสังขารทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สังขารทั้งหลายก็มีที่อาศัยมีได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสังขารทั้งหลายสิ่งนั้นควรเรียกว่าอวิชชา ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อาศัยวิญญาณมีสังขารเป็นที่อาศัยนามรูปมีวิญญาณเป็นที่อาศัยสลายตนะมีนามรูปเป็นที่อาศัยผัสสะมีสลายตนะเป็นที่อาศัยเวทนามีผัสสะเป็นที่อาศัยตัณหามีเวทนาเป็นที่อาศัย อุปาทานมีตันหาเป็นที่อาศัยภพมีอุปาทานเป็นที่อาศัยชาติมีภพเป็นที่อาศัยทุกมีชาติเป็นที่อาศัยสัทธามีทุกเป็นที่อาศัยปราโมทมีสัทธาเป็นที่อาศัยปีติมีปราโมทเป็นที่อาศัยปัสสัทธิมีปีติเป็นที่อาศัย สุขมีปัสสัทิเป็นที่อาศัยสมาธิมีสุขเป็นที่อาศัยยธาภูตญาณทัศนะมีสมาธิเป็นที่อาศัยนิพพิธามียธาภูตญาณทัศนะเป็นที่อาศัยวิราคามีนิพพิธาเป็นที่อาศัยวิมุตมีวิราคาเป็นที่อาศัยทยะยานมีวิมุตเป็นที่อาศัย เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดภูเขาน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและอ้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วทำหนองน้ำให้เต็มหนองน้ำเต็มเปี่ยมแล้วทำบึงให้เต็มบึงเต็มแล้วทำแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้ว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 อัญญติตาธยสูตรว่าด้วยอัญญะเดียรถีคือนักบวชนอกศาสนาพระผู้มีพระภาประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชเครื้ครั้นในเวลาเชา้าท่านพระสารีบุตรเข้าไปบินทบาทอย่างกรุงราชเครื้เห็นว่าเป็นเวลาเช้าไปที่จะบินทบาทจึงเข้าไปอย่างอารามของพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกถึงที่อยู่ พวกอัญญาเีรทีปริภาชกนั้นได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรมีสมณพราหมณ์ฝ่ายกรมมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองพวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้อีกพวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย พวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ก็ในวาทะเหล่านี้พระสมณโคโดมตรัสไว้อย่างไรและพวกข้าพเจ้าจะตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระสมณโคโดมตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระสมณะโคโดมด้วยคําเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลทั้งไม่มีการคล้อยตามคําเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิดได้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุกเป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยอะไรคืออาศัยพัทธะบุคคลผู้กล่าวถ้อยคําเช่นนี้ จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวาททั้งสี่นั้นทุกที่พวกสมณครามฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทําก็ตามเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทําให้ก็ตามหรือทั้งตนและคนอื่นกระทําให้หรือเป็นสิ่งที่กระทําเองก็ไม่ใช่และคนอื่นกระทําให้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนั้น ล้วนเกิดขึ้นเพราะพัทธะเป็นปัจจัยท่านทั้งหลายในวัฏทะทั้งสี่นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณะพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าทุกเป็นสิ่งที่ตนกระทาเองหรือผู้อื่นกระทาเป็นต้นนั้นจะเสวยทุกเว้นจากพัทธะท่านพระอานน์ได้ฟังท่านพระสารีบุตรสนทนาปราศัยกับพวกอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้น ครังนั้นท่านพระอานนท์เที่ยไปบิณทบาทอย่างกรุงราชฤกษ์กลับจากบินทบาทหลังจากสันพัฒหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคปราบทูลคําสนทนาทั้งหมดของท่านพระสารีบุตรกับพวกอัญญาเดียรถีนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรพยากรนั้นชื่อว่าพึงพยากรโดยชอบ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 ในวาทะทั้งสี่นั้นทุกที่พวกสมณะพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือผู้อื่นกระทำให้เป็นต้นนั้นก็เกิดขึ้นเพราะผัสจักเป็นปัจจัยในวาฏทะทั้งสี่นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณะพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าทุกเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือผู้อื่นกระทำให้เป็นต้นนั้น จะเสวยทุกเว้นจากผัสสกจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าถึงเรื่องที่พระองค์เสด็จไปบินธบาตและทรงเห็นว่าเช้าเกินไปจึงทรงเข้าไปหาพวกอัญญาเดรตีปริพาชกถึงที่อยู่และสนทนาเช่นเดียวกันกับพระสาวรีบุตรทุกประการเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะ นาอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่เนื้อความทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยบทบทเดียวพึงมีหรือที่เนื้อความเหมือนอย่างนี้เมื่อพระองค์ตรัสโดยพิสดารจะเป็นเนื้อความที่ลึกซึ้งด้วยจะเป็นกระแสความที่ลึกซึ้งด้วยอานน์ถ้าเช่นนั้นเนื้อความในเรื่องนี้จงประกฏชัดแก่เธอเองเถิดถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถไกลๆพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอา น, นุชนเชราและมรณะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเชราและมรณนะมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นเหตุเกิดมีชาติ เ, าเป็นกําเนิดมีชาติเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะและโดยในยะเดียวกันพบมีอุปาทานเป็นเหตุตัณหามีอุปาทานเป็นเหตุเวทนามีตัณหาเป็นเหตุผัสสะมีสลายตัณเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดเป็นกาเนิดเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้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 เพราะชาิดับชรามรณะโศกะบริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบ ด, ดังกล่าวมานี้แหละผูมิชาสูตรว่าด้วยพระภูมิชา พระภูมิพระภาประทับอยู่นักเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระภูมิชัออกจากที่หลีกเร้นคือพระสมมาบัตในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ท่านพระภูมิชัได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรสมณพราหมณ์ฝ่ายกัรมวาทาพวกหนึ่งว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง พวกหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทําให้พวกหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทําเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทําให้ด้วยพวกหนึ่งว่าสุขและทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทําเองก็มิใช่และคนอื่นกระทําให้ก็มิใช่ในวาทเหล่านี้พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายตรัสไว้อย่างไร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 สุขและทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยอะไรคืออาศัยผัสสักบุคคลผู้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในวาทะทั้งสี่นั้นสุขและทุกข์ที่พวกสมณะพราหม์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็ดี หรือเป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทําให้เป็นต้นนั้นก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยในวาทะทั้งสี่นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรร ม, มาวาทะบัญญัติว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทําเองเป็นต้นนั้นจะเสวยสุขและทุกข์เว้นจากผัสสะท่านพระอาหนุนได้ฟังการสนทนาปราศัยนั้น จึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลคําสนทนาทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรพยากรณ์นั้นชื่อว่าพึงพยากรณ์โดยชอบเรากล่าวว่าสุขและทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นคืออาศัยผัสัตย์ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคําเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ในวาทะทั้งสี่นั้นสุขและทุกข์ที่พวกสมณพราหม์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทําเองหรือเป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทําให้เป็นต้นนั้นก็เกิดขึ้นเพราะผัจจัยเป็นปัจจัยในวาทะทั้งสี่นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหม์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ผู้อื่นกระทำให้นั้นจะสวยสุขและทุกข์เว้นจากผัสสะเมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางกายเป็นเหตุหรือว่าเมื่อวาจามีอยู่สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ หรือว่าเมื่อใจมีอยู่สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในจึงเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุและเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยด้วยบุคคลปรุงแต่งกายสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างปรุงแต่งกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นเพราะคนอื่นบ้างบุคคลรู้สึกตัวอยู่ปรุงแต่งกายะสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นบ้างไม่รู้สึกตัวอยู่ปรุงแต่งกายะสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคล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 ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นบ้างอานนท์อวิชชาแทรกอยู่แล้วในธรรมะเหล่านี้เพราะอวิชชานั้นแหละดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะกายซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นนั้นจึงไม่มีวาจาซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นนั้นจึงไม่มี มโนซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นนั้นจึงไม่มีเขตไม่มีวัตถุไม่มีอายตนะไม่มีหรืออธิกรซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นนั้นไม่มีปัจจยสูตร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 มีได้ด้วยประการชน่นี้ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความกรังกร้าความมีฟันหลุดความเสื่อมอายุเป็นต้นนั้นนี้เรียกว่าชราส่วนความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความตายการทำกาละเป็นต้นนั้นนียเรียกว่ามรณะเพราะชาติเกิดคือมีการเกิด ชาาและโมรณะจึงเกิดเพราะชาิดับคือไม่มีการเกิดชาาและโมรณะจึงดับอริยามรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมตะกกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบ สัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบอริยามรรคมีองค์แปดนี้ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณนะพระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายถึงเรื่องชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสส สลายตนณะนามรูปและวิญญาณเป็นอย่างไรข้อนี้ในพระไตรปิฎกฉบับเต็มท่านก็ย่อไว้นะครับเพราะว่ามีในพระสูตรอื่นโดยละเอียดแล้วสังขารทั้งหลายมีเท่าไหร่สังขารมีสามประการนี้คือกายสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งกายวาจีสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งวาจา จิตตะสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งใจเพรออาะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพรออาะอวิชชาดับสังขารจึงดับอริยามรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธิอริยามรรคมีองค์แปดนี้ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดปัจจัยอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งปัจจัยอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในที่นี้หมายถึงถึงพร้อมด้วยมัชผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง พูดถึงสัทธรรมนี้บ้างเห็นสัทธรรมนี้บ้างประกอบด้วยยานอันเป็นเสขารบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขาบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้าง ภิกุสูตรว่าด้วยภิกษุณกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เกศกรุงสาวัตถีตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและโดยในยะเดียวกันรู้ชัดชาติรู้ชัดภพรู้ชัดอุปาทานรู้ชัดตัณหารู้ชัดเวทนารู้ชัดผัสสะรู้ชัดสลายตนะรู้ชัดนามรูปรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารชาราและมรณะเป็นอย่างไรชาราคือความแก่ความคร่ำคราความเสื่อมอายุเป็นต้นมรณะคือความตายความจุดติดความเคลื่อนไปทําลายไปเป็นต้นเพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับอริยามรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิอริยามรรคมีองค์แปดนี้ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะตรัสอธิบายถึงเรื่องชาติเป็นอย่างไรพบเป็นอย่างไร อุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปและวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไรสังขารมีสมประการนี้คือกายสังขารวัจจีสังขารและจิตตสังขารเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพรออาะอวิชชาดับสังขารจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้น ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดชาาและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความเกิดความดับปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาาและมรณะอย่างนี้รู้ชัดชาติอย่างนี้รู้ชัดพบอุปาทานตัณหาเวทนาภัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณ รู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้เมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธ ร, รรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขาบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้าง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 ตรัสแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดชาราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาราและมรณะไม่รู้ชัดชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารทั้งหลาย สมณะพรามเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชรามรณะรู้ชัดความเกิดความดับ และปฏิปทาที่ให้กึ่งความดับแห่งชราและโมระนรู้ชัดชาติรู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสรั์สลายตนณะนามรูปวิญญาณและสังขารทั้งหลายภิสษุ์ทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทําให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายสมณะพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดชราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณะพรามเหล่านั้น จัดก้าวล่วงชราและมรณะดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้และโดยในยะเดียวกันสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดชาติไม่รู้ชัดพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลาย ไม่รู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นจัดก้าวล่วงสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณพราหมณ์เหล่านั้น จากก้าวล่วงชราและมรณะดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปได้สมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชาติพบอุปาทานตันหาเวทนาผัสต์สลายตาัะนามรูปวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลายรู้ชัดความเกิดความดับและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณพรามหมานั้น จะก้าวล่วงสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปได้